เพลียวหวยให้เกิดมีความทิกขดีรู้จักเคารพนอบน้อมต่อผู้สูงอายเยิ่งห น, นัแล้วก็กระทําดีต่อมีคนรุบายต่างๆนำม า, าประการจะได้ชายชนะเพื่อจะต้องสามารถนํำทับเข้ามาถึงได้ก่อนกองทับเรือ น, นี่เอนี้วหวยเขากาลังลำพองในกติปัญญาก็อยู่แล้วเอาเขาพูดต่อไปทีเดีย ว, วอันมาเฉียงนั้นจะมีปัญญาหรือไม่มีสักเพียงไรท่านทิน จึงจํเพาะจะต้องให้เกลือน อ, อไปอ่ะอันเปรี้ยวกรดมากของเด้งหกหลงก็แกลงตอบว่าอืมครั้งโจโฉคุณถามร้อยมีมาครั้งนั้นอ่ะท่านได้ต้านทานก็จริงอยู่แต่ก็เหลือกำลังนะซึ่งท่านที่คนอใบให้ฐานโจโฉถอยไปนั้นก็เป็นด้วยค่าสึกไม่พันทีไห น, นโจโฉเรือที่ไหนท่านจะรอดชีวิต ท่านจะวิ่งประมาทไปเลยอันมาเฉียวคนนี้มีิลิกกล้าหาญนักครั้งรบกับโจโฉที่ตํำบลแม่น้ํำมอสีนั้นโจโฉเนี่ยเสียทีกับมาเฉียวเนี่เป็นหลายครั้งจนกระทั่งโจโฉ ต, ต, ต้องพอดเกรอะตัดหมดห่อมดนี่วิ่งหนีกองปมกับเหล่าทหานทั้งเปวงไปกินหนีมาเฉียไปได้ผองเบ่งกล่าวถึงความเปล่นแปลงของมาเฉียอย่างนี้ เปลือหุนงามากเลยเดียวในส่วนข้อจริงอะเขาท่านเคร่งใจอยู่ข้าพเจ้าเคยทานบนไว้ก็ได้นี่จะทําทําบนไหวแม่ข้าพเจ้ายกไปครั้งนี้ไม่ได้ใครจะนามาเฉียวให้ตักหรือตาข้าเจ้าเคยเถอะนี่โขกหลงต้องการสิ่งนี้แต่ความจริงจิงนี่นะที่จริงๆริงน่ะไม่ได้ต้องการหัวเปลือหุยหรอ ต้องการความตั้งใจแน่ใจมั่นใจในการกระทําการนี้ต่างหกหลวงคงเบ่ไมาเลยต้องการสืบตาเตวีไปยังใดหรอกต้องการให้การนี้สําเร็จผมได้เล็กฟันก็จริงพูดว่าไ้ายอมรับดังนี้เราก็พอไว้ใจได้คงเบ่งวาดดนบิเตวีก็เผยนี้เผยคนเด่งมาเลยทีเดียวอุ้ยเอียนนั้นอุ้ยอียนเอ่อเจ้าคนผู้นี้ก็มีอะไรที่แปลกแปลกเยอะ ในด้านที่ไมีค่อยจะดีนะแต่มีดีอยู่ที่ฝีมือเขาเนี่ยคุมตัวคุมหัวตัวเองไม่ได้อยู่จนแบบเนี้ยแต่ก็อย่าคิดว่าฝีมือนั่นจะคุมตัวคุมหัวตัวเอง ไ, ได้ตลอดนอกจากคุณงามความดีเท่านั้นอก็ขณะนี้อีเหียนก็เข้ามาพูดว่าข้าพเจ้าจะขอไปด้วยนี่อีเหียนนี่ยังเกรงเปวหุยอยู่อีเหียนยังฮองตงอีเหียนไม่เกรงเปวหุนี่อีเหีนเกรงเรงีเดียว เพราะเตียวหุนอกจากจะมีสัตว์เป็นน้องหุ่นสาบานของเหล่าหยุนเต้ปีแล้วฝีมือเตียวหวีความมุธะรุนั้นเป็นที่รู้อยู่ว่าใครหนึ่งไม่ได้อีเลียนไหนึ่งแต่ขอไปเดือดของเบงก็ให้อีเยียนคุณฐานห้าร้อยเป็นกองหน้าเตียวหวีเป็นกองกลางเหล่าปีเป็นกองหลังแล้วฮ่หยงเจ้าแห่งแผนการนี้ก็เป็นว่าแกเล่าปีว่ะ ข้าพเจ้าจะอยู่ช่วยรักษาเมืองกินโป ก, ก่อนแม้จูล่ลงกลับมาถึงแล้วก็จะยกตามไปผมดึกล่าวดังนี้มีเอียนเปียวฮุยเหล่าปีก็ยกกองทัพไปยังดานแพ่บางกวนเมื่อไปถึงก็ตั้งค่ายมั่นคงลงมาที่มันก้อนทีเดียว นี้ขันฝ่ายมาเขียวละมาเขียวก็ให้เอียเปกเียวเปกคือม้าเขียวนี่ไม่ชอบมาเอยวเปกอยู่ประการหนึงที่สาคัญตอนที่อตอนเข้าไปสามีพักกับเตียวลอกเตียวลอกอาจจะยกหนุกสาวให้แกมาเขียวแล้วแต่เ e อียวเปกนี่เป็นคนทัดทานมาเขียน่ยไม่ชอบเตียวลอ่ไม่ชอบเอียวเปกคนนี้เลย่ะแต่การยกธรรมะครั้นี้ ท่านเจเมืองฮันตงเตียวหล่อเจ้าเมืองฮันตงก็ให้อ e ียเป๊กเนี่ยมาในกองทัพมาเฉียวเว่มาเฉือวก็ให้อโยเป๊กเนี่ยออกรบกับอูยเอียนซึ่งเป็นทัพมากของเตียวฮุยอโยเป๊กอุยเอียนด้วยซู้รบกัน e ได้สิบสเพลงอียเป๊กต้านทานฝีมืออุยเอีย e นไม่ได้ก็ขับมาหนีอุยเอียนผู้นี้ก็มีใจกำริงใครจะได้ดีมีความชอบก็ขับม า, าไล่ติดตามไปเตียว ก็ไปพบมาใตา้นองมาเฉียวส ก, กับอยู่อุยเอียนเนี่ยสาคัญว่าเป็นมาเฉียวคิดว่าเป็นมาเฉียวแต่พบมาตายนะแต่ไม่เคยเห็นมาเฉียวเลยก็คิดว่ามาต้คือมาเฉียวก็ขับม้ารําเงาเข้ารบกับมาตายโดยติดเพลงิงมาตายก็ทําเป็นชักมาพวกหนีอุยเอียนนั้นเห็นได้ทีแล้วนี่ก็ขับมาไล่ติดตามมาใต้ไปทีเดียวมาตานี้ ด้วยกำลังหนุนและพฝีมือมันยอดเยี่ยมนะักและโดยเฉพาะเพลงอาวุธสูงเป็นที่สําคัญสําหรับยอดทหารกล้ามาศึกทั้งปวแล้วล่ะก็ะก็ต้องกล่าวกันว่ากระบวนเพลเก่าทันบนหลังมา้าม้าใต้ก็เป็นมุ่งกล้าที่ม้าใต้ควบมาหนีนะ้รก็ชักเก่าทันพลาดสายหันกลับมายืงทันทีเลยนี่ ตัวเราในความมน่นยําอย่างยิ่งถึงจะไม่ชัดกันแต่ก็ยิงเขาถูหลายซ้ายอีเอียงอีเอียงควบมาตามปลายโดนนี้ได้คิดเลยว่าข้าตึดหนีเพื่อที่จะสังหารตนจ่ะมิจะหนีในความพ่ายแพย้กลัวตายไปอย่างใดเลยอีเอียงผู้ลูกกาทางของมาตาา้ายเที่ไล่ายถึงกับทงนกชาดชัดมาพวกหนีกลับไปทีเดียว เห็นพีมือเข้าแล้วมีเอียงก็ไม่กล้าอยู่ประทะเหมือนกันโดยว่าตบนโดยลูกเก่าพันก็ไปแล้วดิมมาใต้นั้นเห็นมีเอียงหนีก็ขับมารไลยตับตามาถึงหน้าด่านเตียวหิเตียวอีเตหิเห็นคนก็ขับมาออกมาทีเดียวสกัดหน้าร้องประวาดิมาใต้ไว้เสียงเตียวหวีไม่ยอว่าคนเลยที่จะต้องชะงักงนแม้แต่มาก็ตะลึงงันไปเหมือนกันอีเหอียงก็กิน มีจังหวัดนีกลับเข้าด่านได้เตียวฮุก็ถามทีเดียวว่าตัวเนี่ยชื่อไรเหตุใดอ่ะถึงมังอาจไล่อี้เอียนมาจนถึงหน้าดา่านแค่นี้เร่งบอกมาให้แจ้งก่อนแล้วจึงค่อยรบกันเองทีนี้นมีเตียวฮุถามที่แซ่ละมาใต้ก็รองตอบว่าตัวเราชื่อมาดไม่เป็นน้องมาเฉียวยูเมืองเสียเลี้ยงมีเขาต้องประกาศ บาดบาแห่งเมืองเฟลิเงทหานกล้ารูปบางกำดําแข็งแรงเมืองเหลิยงนี่ทั้มาทั้งข่มและเข้มแข็งมากละเบียร์หวีก็จิงว่าตัวที่ม้าตาอ่ะน้องม้าเขียวตัวเนี่ยไม่คู่ควนด้วยที่มีเราอ่ะครั้นเราจะสู้รบ ก, กับตัวบาดนี้ตัวก็จะตายเสียเปล่าเราจะไว้ชีวิตให้ และตัวจิมมี่กลับเข้าไปบอกแต่ม้าเขียวพี่ตัวออกมารบกับเราจริงจะควรมีเตียวหิวไหอย่างนี้นี่เป็นการเจราจากันด้วยความไม่ไพเราะแล้วเรียกเป็นตัวตัวเลยม้าใต้ด้วยฟังนี่ก็โกรธไม่รบได้อย่างไรอะ่ะม้าใตา้ก็ขับม้าเขรุกกับเตียวหิวสู้ได้สิกเพลงสิ้เพลงผ่านไปม้าใต้ก็มาา้าใต้แหละค่อยมีสติรั่วตัวนี้ แต่กลายเป็นมาใกล้ตายเอาสิเพลงเท่านั้นเองเห็นกำลังโกเตียวอีเตียวทีเดียวว่าต้มทานกำลังเสียงนี้โจกเตียวอีเตียวมาดำนี่ไม่ได้แน่มาใต้ก็ขับม้าหนีเตียวฮีที่นี่ก็ขับมา้าไล่ติดตามไปทีเดียวข้างฝ่ายเล่าปีเห็นดังนั้นก็ไปมาร้องคือเป็นสัญญาณเสียงมาร้องนี่คือเสียงเอลียกับ เดี๋ยวิ่งยินเสียงมาล่อก็ชารมากลับมาบึกกลับมาถึงลอปีก็จึงพูดว่าพี่รู้น้ำใจเจ้าอยู่ว่าวูวามนะัเกลียดว่าไร่ทรมข่าเสดเข้าไปมนะ่นจะมีอันตรายผีย่จึงตีมา้าล่อเรียกให้กลับมาอันหนึ่งวันนี้เจ้าก็มีใช้แต่ม้าใต้แล้วควรจะเอาเริกไว้ก่อนตรงบุดพักให้มีความสบายหายเหนื่อย ไว้ตอบวัวพุ่งยินงค่อยออกรอบพรุ่งกันต่อไปก็ได้ครั้งวันพุ่้เช้าละเราปีได้ยินเสียง ห, หันหัวร้องอือึนมาทางหน้า่างเป็นอันมาก เปล่าปีก็ขึ้นไปดูบรรหารรทหารก็เชื่ยดูตัวมาเฉียวเปล่าปีเห็นรูปร่างมาเฉียวเนี่ยลักษณะขึงแข็งเข้มแข็งสมเป็นนายทหารยิ่งนะักดังกล่าวและเอกลมเวยดีเอวกลมกล่าว่าอกผ้าลายพึ่งสูงใหญ่สมเป็นนายทหารยิ่งลักษณะเข้มแข็งใบหน้าเนี่ยดังสีหยกใบกรอกมน กรอะมีสีเดียวกับจูโล้งนะใส่เกราะเงินถี่มาถือทวงอยู่ท่ามกลางทาหารเล่าปีนแค่นั้นถึงกับต้องชมทีเดียวว่ที่บรรดาคนทั้งปวงอื้องลีเหลือมาเฉียวรูปงามกล้าหานก็สมนี้นคําเขาว่าเล่าตีชมมาเฉียวหลุดสายตาอยู่เช่นนั้นอดใจไว้ไม่ได้ เปนุเป็นคําพูดออกมาต่อนหน้าเตียวหุยดูยอย่างนี้เตียวหุยได้ยินเช่นนั้นอ่าแล้วก็เห็นเหล่าปีทชมเชยมาเฉียวขึ้อย่างนั้นเตียวหุยก็พูดกับเล่าปี๋ขึ้นทีเดียวว่ขาข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปรบด้วยม้าเขียวหนาบัด น, นี้นี่ทนไม่ได้เหล่าปี๋ก็ห้ามบัเดเตียวหุยน้องเจ้าให้รั้งรออยู่ก่อน อย่าเพอ่งย ก, ออกไปเลยจงคอยดูอยู่ก่อนถ้าเห็นทหารข้าศึกอดอาหารทนเวลาอาหารแล้วให้ทหารข้าฝึกอิโรพศสมควรแล้วจึงค่อยยกออกไปโจมตีก็ได้ฝ่ายม้าเฉียวออกไปท้าโลกแตเชา้าแต็ไม่ถนงรอไปออกมารบด้วย ไฟฐานออกไปร้องท้าทายเป็นข้อหยาบช้าละนี่คือต้องจากสังกองด่าฟึ้ปาก ด, ดีขุดค้นกันแต่ถ้อยคําที่ใช้โก้ให้แข็งเป็นที่ยิ่งละออกเราปีทนได้เตียวหีหทนไม่ได้เด็กฟังโกรธโกรธกระหนี่จะทะยานออกไปเขีวเนื้มาเขียวทีเดียวนี่โก้แค่ไหนแต่เกินอยู่ว่า เราปียู่คุมตนอยู่เนี่ยห้ามตัวแล้วเนี่ยเด็กหนุ่มก็สู้สะกดใจวะ mm. มาเฉียวนั้นไม่เมดียมีผู้ใดออกมาโต้รบด้วยเนย mm. ก็จัดทหารใหม่ mm. เป็นผลัดผลัดกัน mm. ให้ผลัดเข้าไปร้องด่าท้าทายเยาะเย้ยด่าทอต่า ง, างๆนามาแต่เช้าจนบ่ายเราปีนั้นคอยทีแล้วเห็นมาเฉียวแต่ทหารมาเฉียวเนี่ยอดอาหาร ย่งโน้นนก็หิวอะ่ะหิวมึก็ต้องอิทรอยกำนั้งวะเราปีก็จับแกงถ่านห้าร้อยให้เตีย ว, วิุคุมออกไปจากประตูดานเตียวหุนะ่ะดีใจนะคุมหานออกไปทีเดียวฝ่ายมาเฉียวส่งกองดาบไปด่าแต่เช้าจนบ่ายคุณเห็นหน้าขาดตื่กออกมาอย่างนี้ก็ดีใจคือดีใจที่จะได้รบได้ฆ่ากันโบกทงรีษฐานให่ถอยกลับมา เตียวฮุนแลก็ขับมาขึ้นมาฐานทั้งปวงทีเดียวแล้วก็ร้องประกาศคือแฟฝักมาปวงที่เดียวระวัดตัวกูคือเตียวฮุยมาเชียวไม่รู้จักอูหรือไม่นี่แต่ว่าเตียวฮุยรจักมาเชียวก่อนก็เห็นว่าอยู่ในด่านมีฐานชี้ให้เราปีดูเนไงแต่คนนั้นแหะคือมาเชียวนะเรื่ทงเตียวฮุยก็เห็นเาปีดชมมาเชียวอยู่นี่เตียวฮุยน่ะเห็นมาเชียวแล้วมาเชียวยังไม่เห็นเตียวฮุี่ ก็จ ป, ประกาศให้ตัวกูชื่เตียวหุยมาเฉียวมึงรู้จักกูหรือไม่เตียวหุยก็ร้องตอบว่าตัวกูเนี่ยเป็นเชื้อคุณนางมาหลายชั่วคนแล้วสั ต, ตระกูเนี่ยใหยิ่งกว่ามึงเหตุใดอ่ะกูจะต้องไปรู้จักมึงเป็นไอ้ชาวมันนอกพรพ์ไม่สมควร น, นี่มาเฉียวด่ากลับไปอย่างนี้ยกสัตยกตระกูมาเทียบกันด่ากันอย่างนี้ เตียวหนี่เขาพอกคาหมูเสร็จทีใหญ่เท่านั้นเองเตียวหุยถูกดาไม่มีฝากไม่มีตะกูลเขาอย่างนี้โกรธจนไม่อาจจะมัดได้แล้วปาดแม่ฟั่มระรวดแต่ไม่เป็นคําพูดใดออกมาเลยชัดมาดพวดกระตุ้นมาตะรุยเขารบกับมัดเฉียวด้วยทีเดียวมาเฉียวก็คอยมาแต่เช้าจนบ่ายแล้วมนาะบัดนี้คณะพร้อมที่จะประท่ากับเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว มาเฉียวเตียวอีโต้ฮิคุริฟูรบกันเป็นสามมากทีเดียวรบกันจนร้อยเพลงร้อยเพล ง, ย, พลงยังไม่แพ้ไม่ชนะแกกันเราปีดูอยู่เช่นั้นเห็นดังนั้นก็ชมฝีมือเตียวฮิ ก, กับมาเฉียวแหะก็ชมทั้งคู่แหะเพื่อรบพุ่งกันรวดเร็วรสมเป็นทหารเสือแต่แลเล่าปีก็คิดเกรงเกรงว่าเตียวฮิจะพึ่งพรำ ก่อยตีมารอเป็นสัญญาณให้กลับเข้าค่ายเดียววิได้ยินเสียงมารอก็ชางมากระเข้ามาถอดกรอกเสียแต่ห่มกรอกอยู่นี่มันหนักมันร้อนมันเหนื่อยแล้วมันก็จะทําให้ม้าเนี่ยต้องเพิ่มแบกน้ําหนักมากขึ้นมันไม่คล่องคล่องและรบออกไปรบมาแล้วนี่กลับมาก็ถอดกลอกก็พักอยู่ประมาณคู่นี่ นายสุดเตียวฮุยทนกับโทรศัสทท์ไม่ได้เพ่นขึ้นหลังม้าออกไปทันทีโดยไม่ได้ใส่เกราะด้วยเพ่ขนขร้หลังม้าตะรุยออกไปร้องทารบกับม้าเฉียวเป็นข้อหยาบช้าเลยม้าเฉียวได้ฟังดังนั้นเด็กนั่นก็โกรกก็ขับม้ามารบกับเตียวฮุยเป็นสามาดิีกข้างลาปีนั่นเกรงว่าเตียวฮุยจะเสียทีราวปีก็ใส่เกราะแล้วก็ ควบมาออกไปอยู่หน้าฐานทั้งปวงเห็นเตียวหุยกับมาเฉียวรบกันต่อไปอีกประมาณร้อยเพลงมีสู้กันสองร้อยเพลงรบแล้วรอปีเห็นคนทั้งสองสู้กันยังไม่แพ้ไมใ่ใช่นะเตียวหุยไม่ต้องโฮมเกราะแล้วไม่ต้องวันหวาดแล้วข่มอาวุธขัดต่อศัตรูต่ต้องตัวประการใดอย่างไรนี่ไม่ต้องเกรงกันแล้ว ในทุเราะปีเห็นว่าจะไม่เข้าทีก็ตีมาล่อขึ้นให้ถอยอีกเตียวหวีก็กลับมาหาทุเราปีทุเราปีก็จริงว่าพี่น่ะเกรงอยู่ว่าเจ้าจะเหนื่อยนะจึงตีมาล่อเรียกให้กลับมาหวังจะพาเข้าไปหยุดในค่ายก่อนเตียวหวีก็จริงว่าขบเจ้าได้ออกป่าอาสา ทำการไม่มีใครแก่มา้าเฉียวบัดนี้ก็ยังไม่แพ้ชนะแก่กันครั้งเก่หยุดอยู่ก็ป่วยการไปเปลือยวหวีว่าอย่างนี้แล้วก็คบเขี้ยวเขี้วฟังคําำรามจะออไปรถกับมา้าเฉียวอีกใครได้เราปีเห็นดังนั้นก็ห้ามเปียวหยวีไว้แล้วก็บอกวันนี้ก็เย็นแล้วแตะจงเข้าไปหยุดพักในด่านให้สบายก่อนเถอะพรุ่งนี้นค่อยออกรบต่อไป นันนะก็คือว่าท้าเจ้าไม่เข้าไปแล้วถ้าท่านเห็นว่าพบคำคอยจุดเทิงขึ้นในสว่างท้าวเจ้าจะออกไปรบ ก, กับม้าเขียวว่าจะได้ใครชนะนี่สิ้นแสงตะวันแล้วความสว่างสิ้นความมืดก็คึบครานเข้ามานั้นเป็นธรรมดาจะต้องหยุดรบกันหรือ ความมือก็มีเป็นอุปสรรเตียวฮุยฟังเกิดคบเลงิงทีนี้ขณะเมื่อเล่าปีตีมาล่อเรียกเตียวฮุยกลับเนี่ยมาเฉียวเราก็กลับไปค่ายเหมือนกันมาเฉียวก็เช่นเดียวกับเจาะเตียวอีเต้ฮวีเหมือนกันมาเฉียวเอาทนะเตียวฮุยไม่ได้และเป็นเพราะที่เตียวฮุยพอกรอกเปลยเปลยกายไม่ต้องห่มกรอกออกมารบกันนี่มันเป็นการ ดูหมิ่นเหยียดยามเสือมียอดาหารเสือเส้นต้มยิ่งหนะักและโดยเฉพาะตนเองก็ไม่สามารถเอาเลือเดเตียวหุยได้ด้วยเนี่ยม้าเสือนี่ก็แขมยิงนะักแขมหุดเป็นอันมากม้าเียอก็กลับมาพักในคะรูนใส่เกราะเอาม้าตัวืองมาเปลี่ยนม้านะี่ยไม่ทานกําลังได้โลบมาทั้งวันมาสึ้นกําลังไปแล้วเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนม้าใหม่ ขึ้นทีหังม้าใหม่พาฐานไปถึงน้าด่าน ร, ร้องเลกำลังโผล่ล่ะว่าคําวันนี้เลียวหุยเรียออกมารบ ก, บกัุ๊กเตียวหุยเด็กฝังกุ๊โก้เปลี่ยนมาเหมือนกันเปลี่ยนเอาม้าเล่าปีมาขี่เปลี่ยนเอาม้าเล่าปีมาขี่มาถึงตอนนี้มีมีความที่ขัดขัดกันอยู่นิดหนึ่งนิดเดียว ทางทองตายด้วยเหตุเปลี่ยนม้าเราปีไปขี่ถูกหรือบัดนี้เลียวอีเตอยวหีก็เปลี่ยนมา้าคือเอาม้าของเราปีมาขี่ออกรบกับม้าเฉียวชะเนียเตียวหีจะต้องจบสิ้นชีวิตเสียกระนั้นหรือ เตีจะตายในคราววีกันนั้นหรือจากสามกกทั้งฉบับของเจ้าพยาก็กลางหุนและก็ทั้งฉบับของฉบับวันนีโ้โพของยาขอบที่กล่าวว่าแปลมาจากฉบับของบริวิทเทลเลอร์ก็ไม่ได้มีกล่าวไว้หรอกนะครับว่าเตียวฮุยจะตายนะเขไม่ได้กล่าวแต่กล่าวตรงกันอยู่ว่าเตียวฮุย มาเหมือนกันม้าเขียวก็เปลี่ยนมาเบี้ยวหวีก็เปลี่ยนมาเบี้ยวหวีเปลี่ยนเอามาเล่าปีมาขี่แคเนี้ยจะเป็นย่างไรอะ่ะเบี้ยวหวีเปลี่ยนมาได้แล้วก็พาฐานออกไปแล้วก็ร้องขึ้นทีเลยว่าค่าวันนี้ถ้าแม้นกูจับมา้าเขียวไม่ได้กูจะไม่กลับเข้าด่างเลยนี่เบีหวีประากาศให้ฟ้าดินเป็นพยานแล้ว ถ้จาจับไม่ได้นี่จะไม่กลับเข้าด่านาชีว์นั่นก็ยอดชายก็ร้องตอบมาทีดียวว่าแม้วันนี้ถ้ากูไม่มีชายชนะแต่บุญกูก็หากลับเข้าค่ายไม่หมายความว่าต่างฝ่ายต่างจะนอนนอกด่านนอกค่ายกันอย่างนั้นดีไรในขณะนั้นทหารทั้งสองฝ่ายนะั้นไม่ต้องรบกันแล้วไม่ต้องรบกันแล้วเพราะ กต่อหยุดที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้จะหาทอดทศนาได้ณที่ไหนกันล่ะที่มั่นบบบนี้ต้องได้บ่าเป็นบุญตาตัวยิ่งนักแล้วตางฝ่ายต่างจิดคบเพลิงถือกันโรท่ทีเดียวยิทธภูมิมันสว่างดังกลางวันด้วยแสงคบพลึงอันนับจะมวล น, นี้ได้คือฐานทั้งสองฝ่ายแล้วแหละแล้วมาเฉียวกับเตียวเหัวก็เข้ารบกันด้วยกลยุทธ์ เทนอาวุธบนหลังมาต่อสู้บริยี่ฝีเลยมาเฉียวเริ่มใช้กลอุบายละทําเป็นถอยหนีเดียวหุยก็ขีม้าเลาเตีนั่นแหละขับไล่ตามไปพลางคิดทีเดียวเดียวอีเตวิ้วต้องคิดถึงจะโทรสากล้าอย่างไรก็ตามนีือไม่มาเจอโทรสารที่กล้านี้ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเท่านี้ต้องคิดคิดเถอะเอ็มมาเฉียวนี่ หิมือมันก็พอกันกับเรารบกันมาทั้งวันบัดนี้จุกโผล่รบกันอีกครั้งนี้อีกแล้วมิได้เพ่งพรำประการใดอย่างไรมาชัดมาหนีอย่างนี้จแามีเห็นแกทําอุบายเป็นหนึ่งสิ่งใดเป็นมั่นคงเดี๋ ว, วิคราะดังนี้วารวบม้าไร้ตามอะไรแต่ก็ระมัดระวังตัวเป็นที่ดีคอยป้องกันตัวยทุกขณะแต่ก็ยังไม่เอามาเฉียวจะทำอุบายประการใดอย่างไรฝ่ายมาเขียวนั้น ควบม้าหนีแต่ก็หนีเพื่อคอยทีที่จะทําร้ายให้ถึงได้เห็นเตียวหุยไล่ตามใกล้เข้ามาได้ทีแล้วเนี่ยมาเฉียวก็กระบองเหลี่ยมกระบองเหลี่ยมเหวี่ยงมัดี่เตียวหุคือกว้างมาที่เตียวหุยเตียวหุยเนี่ยขับม้าตามมาจีนแต่ไม่ได้ประมาทระมัดระวังตัวดีทุกขณะก็เปลี่ยนช่วงมาเฉียงเหวี่ยงกระบอมาเตียวหุยก็เห็นทันที ก็ทวนตัล้ปัดเธอได้แล้วก็ทําเป็นชางม้าถอยหนีมา่ตอนนี้เตียวหุ่หนีเจ้าม้าเขียวก็ชัดมาหวนกลับไล่ติดตามเตียวหุ่ทีเดียวเตียวหุนยควบม้าหนีพอได้จังหวัดก็ชัดมากระด้มามาขึ้นเกาทันยิ่งม้าเขียวเลยทีเดียวยิงได้เกาทันม้าเขียวก็ทวนปัดลูกเกาพันเธอได้อีกนี่พอเวลาสองยามเสร เลาคิดดูรบก็นแต่ว่าข้าถึงสองยามเซกมาเฉียวก็กลับไปยังที่ชุมนุมทหารเดียวอีเตวิ้ยก็กลับเข้าไปหาเล่าปียังหน้าด่านคือเป็นนามบัตรต่างไฟต่างก็ยังทำอะไรกันไม่ได้มาเฉียวก็ต้องกลับไปยังที่จุมนุมทารของตนเดียวหิ้ก็กลับมายังหน้าด่านลนะเล่าปีนั้นก็ขับมาขึ้นมาหน้าฐานทั้งปวงทีเดียว แล้วก็รองประกาศหวังเจาวใจมาเฉียววัดว่าเวลานี้ก็ดึกดื่นันปานนี้แล้วท่านต้องกลับไปหยุดพักนักไคร่ท่านก่อนเถอะตอรุ่งเช้าเพียงค่อยมารบกับเปียวหุอีกพรุ่งนี้เช้าก็มารบกันอีกมาเฉียวเด็กฟังนุ้ยก็ต้องกลับละก็รบกันมาทั้งวันและคืนนี้ก็รบกันไม่ขึ้นคืนอย่างนี้จะรบไปตลอดคนืนอะไร มันก็เหนือมนุษยมานาเขาอยู่แล้วม้าเนี่ยสู้กระมังตนไม่ได้แต่บัด น, นี้ตนเองแห่ะก็สู้กระมังตัวเองไม่ไหวเหมือนกันไม่เชื่อไม่ฟังก็ต้องฟังต้องเชื่อม้าเฉียวก็พาฐานกลับเข้าค่ายคือว่าว่าจะเอาชนะเดีวว้ไม่ได้จะไม่เข้าค่ายแต่ก็ต้องเข้าค่ายหล่ายปีก็พาเดียวหิกลับเข้าด่านเดียวหิวัฒน์กลับมาเฉียวไม่ได้จะไม่ยอมเข้าด่าน แค่บาดดีมันสองยามก็ไปแล้วไม่กลับก็ต้องกลับละ่ะเรียกว่าต่างคนต่างฝ่ายก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองขณะที่จะรบกันน่ะมันก็ต้องกล่าวคําอะไรกันออกมาให้มันเป็นที่สาหะอาต่างฝ่ายต่างก็ถอยเข้าพักครั้งปุ้เชา้าเดี๋ยวนุ่ก็จกกับแยงฐานจะยกออกไปรบกับม้าเขียวก็พอดีอม้าเร็ว ได้เขามาบอกแกเล่าปีให้ทราบแบบนี้หกหลงขงเบ้งที่วกลับเหรียญได้ยกทัพตามมาถึงแล้วอันนี้ก็แสดงว่าจิ้โล่งกลับมาแล้วนะสิะขงเบ้งจึ้มานี่ได้เล่าปีได้ฟังนี้ก็ยินดีก็ออกไปรับขงเบ้งเข้ามาก่อนคือเตียวฮุยก็ยังไม่ได้ออกไปรบะขงเบ้งเข้ามาแล้วก็พูดทีเดียวว่าอันมาเฉียวนั้นฝีมือกล้าหะ จะให้รบกับเปียวหุอยู่ชะนิ้อุปมาเสมือนหนึ่งเสือสองตัวสู้กันอย่างไรก็ตามเธอะมันก็จะต้องเพลียงพล้ํากันลงไปข้างนึงเป็นมั่นคงแหละข้าพเจ้าจะขอคิดอลอุบายให้ม้าเฉียวเข้ามาหาท่านแต่โดยดีคนงเบ่งพอมาถึงนี่วางแผนเข้าชะนี้เลยนี่แหละท่านจิงได้รับสมญาวัภูแกล้ฟ้าจบดิน อย่างรูดินฟ้ามาหาสมุทรแต่ความจริงนั้นดังกล่าวแต่ถีบต้นแล้วคงเด่งมีผู้คนที่เป็นมาเร็วคอยสืบข่าวต่างๆม า, า, าประกาศการสู้รบกันประการใดอย่างไรพวกหลงจะต้องมีคนคอยฟงขาให้ทราบทุกขณะและผมเองก็คิดการอยู่ทุกระยะเวลามาเรืเ่อยๆละก็รู้เหตุการณ์ต่งนางๆม า, น า, นานเป็นอย่างดีมาแล้วจากการสู้รบระวังยอดฐานเตือทั้งสองเนี่ยคงได้งจิน มี่ปราถนาให้คนหนึ่งคนใดก็ตามหรอกจะต้องตายกันลงไปนะนี่จะเป็นประโยชน์อันใดเลยก็คิดที่จะเอาตัวมาเชียวมาอยู่ด้วยนิดดีกว่าก็จริงกล่าวเช่นนั้นเราปีก็จริงว่าเราเห็นฝีมีมาเชียวแล้วเราก็คิดอยู่จะค้าได้มาเชียวมาไว้ด้วยสื่อท่านวาดดังนี้เรายินดีนะท่านจะคิดอ่านประการใดอ่ะ จึงจะได้มาเฉียวมาโดยดีของเบ่งก็จริงว่าเจียวล่อเจากเมืองหันตงมันนี่คกหลวงกล่าวไปนู้เลยเจียวล่อเจากเมืองฮันตงมันมีใจกำเริบจะตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าในเมืองหันตงเจียวล้อมีที่ศึกษาอยู่คนหนึ่งชื่อเอียวสงเอียวสงนั้นเป็นคนโลก แต่ไปได้สิ่งขอ ง, งต่างๆไว้เป็นประโยชน์ของตัวถ่ายเบลแหละขอให้ท่านจัดสิ่งของอันตรการกับหนังสือให้คนลอบไปให้แกเอี่ยวสงให้เอี่ยวสงว่าแกเดียวลอเป็นใจความว่าถ้าท่านยกกองอที่ตัวท่านยกกองทับมาเนี่ยก็จะตีเอาแต่เมืองเสฉวนเท่านั้นหวังจะแก้แค้นเหล่าปีศา แต่แค็งที่เหล่าเจียงเนี่ยฆ่ามารดาของเตียวลอกนี่พบลงรู้ความต่างๆในม า, น า, น า, นานบุญก็เก็บออกความทั้งขึ้นมันแหละมาเสกสามปันแต่งให้เป็นประโยชน์ตน่ะให้อ้างอย่างเนี้วกนที่เราประยกมาเนี่ยมาตีเฟยชวนตีเฟย์ชวนเนี่ยเพื่อช่วยเตียวลอกเพราะเหล่าเตียงฆ่ามารดาเตียวลอกแมนเหล่าเจียงต่อมือเฟย์ชวนให้มาว่ากล่าวติงได้กก่เตียวลอก ขออย่าได้เอาธุระเลยถ้าไดเมืองเส่ฉวนแล้วก็จะตั้งใจทุบำรุงให้เตียวลออขึ้นเป็นเจ้าในเมืองหันโงให้จงได้แล้วให้เตียวล่อเนี่ยจงมีหนังสือมาเรียกหาตัวมาเฉียวเนี่ยกลับไปเสียและเมื่อมาเฉียวจะเลิกทับกลับไปนั้นเขาบอเจ้าจะแต่งคนให้ไปส ก, กัดเรียกกล่อมมาเฉียวให้มาอยู่ด้วยท่านในจงได้เอง แผนพกหลงดังนี้นี่เอาฟังเอาเถอะมันจะเป็นจริงเป็นเทปประการใดอย่างไรก็ตามเถอะจะจับเอาเทปเอาจริงกันนะที่นี้ น, น่ะนีได้ก็ต้องลวงกันไปอย่างเนี้อืมที่ยกมานี่ตอนแรกน้ำยางนีน่แต่มาตอนนี้ผมไม่บอกอย่างนี้อืมจะยกมาลบเสกชวนเพื่อช่วยเติมล้อตาหากอ่ะเหตุกลายเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นพกหลงจะวางแผน ให้เกิดความขัดแย้งหมันเมินแก่กันและจะได้เอาตัวมาเฉียวมาอยู่ด้วยจงได้เนี่ยเราปีได้ฟังแผนการอุบายของโขงเบงแล้วก็มีความยินดีก็แต่งหนังสือตามถ้อยคําอีโขงเบงว่าดีแล้วแล้วก็จัดแบงเงินทองข้าวของแพรพันุอย่างดีที่จะเป็นของกรัมมันให้แก่เอีลสงคนโลกแห่งเมืองฮังตงนี่จัดข้าวของไม่ไมากทีเดียว แล้วก็ซุนเขียนซุนเขียนต้องกล่าวว่าเป็นข้าเตาวาวเวียงแต่ก่อนนู้นเราปีไม่มีใครเลยก็ได้ซุนเขียนอยู่แหละให้ซุนเขียนเนี่ยถือหนังสือลอบรัดทางไปยังเมืองหันตรงเพื่อเอานังสือและข้าวของเงินทองแพรพันอย่างดีเนี่ยมอบให้แก่อี่ยสงดังกล่าวแล้วนะครับหกหลง โขนเด้งจูงก่การเหรียญผู้นึ่จะสู้รบประการใดอย่างไรก็าตามเถอะโดยแท้จริงนั้นนะ่นะมีได้ปาธมาที่จะล้างผลาญชีวิตทั้งฝ่ายประตูและฝ่ายของตนแต่ประการใดอย่างไรแต่ถ้าเป็นฝ่ายของตัวเองแล้วหกหลงจะฟั่งให้รบโดยการถนมชีวิตนี่เป็นที่ยิ่งและชนี้มาเฉียวเนี่ยกราคิดไม่ง่าย ถูกรายกเป็นศัตรูกันมันต้องล้างฐานชีวิตกันให้วอดวายสิ้นลงไปทั่วไปจะคิดเช่นนั้นแต่โวกหลงขงเด็ไม่ได้คิดดังนั้นกลับคิดที่จะเอาตัวมาเฉียวผู้เป็นศัตรูนี่แหละให้มาเป็นกําลังของตมละ่ะเอาดําเนินแผนดําเนินการวานอุบายใช้ซุ่มเขียนไปแล้วซุ่มเขียนไปถึงหันตรงก็เข้าไปในเมืองก็เข้าไปหาเอี่ยวสง เข้าไปคมนับเอียวสงทีเดียวแล้วก็บอกว่าอันเงินทองข้าวของแพรพันทั้งหลายทั้งสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เปล่าปีให้ข้าพเจ้านาม า, ม, ามอบให้แก่ท่านขอท่านจงได้เห็นแก่ไมตรีเพียงช่วยเอาหนังฝี น, นี้เข้าไปแก่เตียวลอด้วยเถอนี่ซุนเขียนกล่าวดังนี้ฟังดูแล้วก็ไม่ได้อยากเย็นอะไรเลย กับสิ่งแรกเปลี่ยนเป็นข้าวของอันมีค่าต่างๆมันมาประกาศนั่นน่ะอีลสงเห็นข้าวของมีค่ากระเบวงก็มีใจ ย, ยินดีเพราะความเป็นคนโลกและการที่ตนจะต้องรับก็เพียงแค่เอาหนังสือนี้เข้าไปเปียลล่อเท่านั้นน่ะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรอีลสงก็พาตัวซุนเขียนไปถือหนังสือเก็ไปกระมัดเปียลล่อพอเมืองฮันสงแล้วก็บอกว่าบัตรนี้ เหลาปีให้มีหนังสือเข้ามาทำมัเตียวลอกนี่เรลาปีให้มีหนังสือมาเป็นพางไมตรีกับท่านเดียวสงก็กล่าวเช่นนี้เตียวหลอกก็รับเอาหนังสือมาชีพนึกออกอ่านดูออาใจความนันก็คือว่าข้าเจ้เราปียกทับจากเองจิ้วมายังเสฉวนนี่ก็เผื่อจะเข้าตีเสฉวนเป็นการช่วยหรือแต่แค้นให้กับเตียวหลอกจะืองฮนปง เราเหล่าเียงแห่งเมืองเซสสี่ยชวนฆ่ามารดาท่านเนี่ยเนี่ยใจความเนี้นี่ดังกล่าวด้งนีที่หวงวางแผนไว้ให้เนี่ยจงเห็นแก่ไมตรีกรันถ้าเซี่ยวนที่เรล่าเจียงแต่เมืองเซี่ยชวนมีนงินซือมาว่ากล่าวติดได้ประการใดกระเตียวรอเนี่ยขอท่านเตียวรออย่ได้เอาเป็นธุระเลยถ้าได้เมืองเสี่ยวนแล้วขับเจ้า จะทะนุบำรุงท่านให้ขึ้นเป็นเจ้าในเมืองหันถงให้จงได้นี่อรใจความหนังสือเนี่ยเตียวรอกอ่านหนังสือนีิสายใจความแลว้วก็จริงว่าตัวรอกปีนั้นน่ะเป็นแต่ทหารกองนอกทหารกองนอกคือไม่ได้อยู่ในฟ้าระบบทหารของเจา้าหมายคนคนไดอย่างไรเหตุใด จึงบางอาจร่วงว่าจะช่วยทะุบารุงเราให้เป็นเจ้านั้นนะ่ะเกินกำลังความคิดและยศศักนะมีเตียรลอว่าอย่างนี้ซึ่งก็ถูกต้องอยู่คือเล่าปีถ้าเรล่าปีเป็นโจโฉสิยังเรียกว่าเป็นทหารในกระบาต้องไปเจออยู่หัวองค์จักรพรรดิเฮียนเต้นี่จะกราบูประการไดอย่างไรยังมีน้ำหนักกว่าก็นีเรล่าปีไม่ได้เป็นอะไรยังไงเลยทั้งสิ้น เดียวรอวาอาอ่าเขาหยิงเ อ, องียวสงรับสินบนเขาเข้าไว้แล้วนี่ข่าวของศับสิเงินทองผ้าผ่อนแพพันอย่งดีมีราคามากมายนั้นนี่เอียวสงก็พรอยมีใจไปกับเล่าปีละก็จริงพูดว่าเล่าปีนั้นจะว่าแต่เป็นทหารกองนอกนะก็จริงแต่เล่าปีก็เป็นเชื้อประวงในพระเจ้าหินเป๋ พระเจ้าหินเตะองค์จั ก, กรพรรก็ น, นับถือเหล่าปีนี่ว่าเป็นอาและเหล่าปีจะพิทูลสิงได้พระเจ้าหินเตะก็ชอบพระกยาสายเขาประจักเห็นว่าเหล่าปีเนี่ยได้ออกปากไวแล้วก็คงจะช่วยกนุบํารุงท่านให้ขึ้นเป็นเจ้าได้เยาวสงไวอย่างนี้ชี้แจงให้ฟังดังนี้เตียวรอบปราถนาเป็นที่ยิ่งอยู่ประการหนึ่งก็คือเป็นเจ้า จะตั้งตัวขึ้นเป็น อ, องคเด็กฟังเอี่ยวสงว่ายามีขึ้นมาก็มีความยินดีพอใจกำเริบดังกล่าวแล้วจินงแต่งหนังสือไปเรียกหาตัวมาเฉียวจะให้กลับมาสุนเขียนผู้เดินสารเห็นว่าการสำฤทธิผลด้ดีชนี้ก็ขมับลาดเตียวล่อออกมาพักอาศัยมากบ้านเอี่ยวสงหวังจะกอดังเนื้อความ ว่ามาเฉียวเนี่ยจะกลับมาหรือไม่กลับมาแต่อย่างใดว่ามาชายของเตียวหลอกถือหนังสือไปเรียกตัวมาเฉียวนั้นก็ไปหามาเฉียวแล้วก็กลับมาเอากลับมาถึงก็เขาไปแจ้งแกเตียวหลอกว่ามาเฉียว มาว่าขอทำการสงครามให้มีความชอบก่อนจินจะเลิกกองทัพกลับนี่คืออะไรหึฮึที่โกามาเฉียวขัดคําสั่งเียรลอดห้ออย่างนั้นแหละมีแหละวิธีการของหกหลงท่านเร่งดูรู้น้ำใจพยศะเกดแต่ละคนแต่ละท่านพร้อมอยู่แล้วมันจะต้องเกิดความขัดแข็งกันขึ้นแม่แม่เนี่ยแบบนี้เป็นดังนี้แล้ว พอรู้อย่างนั้นว่ามาเขียวไม่ยอมกลับนี่ก้อยมาไทยกลับไปตามตัวมาเขียวนีกเป็นอย่างนี้ถึงสองครั้งถึงสามครั้งมาเขียวก็ยังยืนคทำอยู่แค่นั้นคือไม่ยอมปรับจะต้องรบไครร้รูแพ้รูชนะไปก่อนนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นมานี่เตียวรเตียวโรจะทําอย่างไงอ่ะ เอี่ยวสงรู้เนืความดังนั้นเขเนี่ยก็เข้ามาว่าแป่ตีรอทีเดียวว่าม้าเขียวคนเนี่ยเป็นคนหามีกระทำอยู่ไหมซึ่งทําให้หาตัวกลับมาก็ไม่ได้ยอมยกกองทัพกลับมาเนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่าม้าเขียวเนี่ยเอาใจออกหาท่านรับเป็นมั่นค ง, งให้ท่านคิดอ่านระวังตัวให้จงดีเถอะมี่เอี่ยวสงเข้าไปพูดอย่างนี้แล้วก็คำมัฟลาออกมา แล้วก็นอกจากนั้นเอลวสมดําเนินการต่อไปอีกด้วยสิ้นบาทสิ้นบ่นที่ตนได้รับไว้มันมาก ม, มาอยู่ดอกก็แต่งคนสนิทให้ไปเที่ยวพูดเจ้ากระชาเมืองทั้งหลายทั้งปวงว่ามาเฉียวเนี่ยทรยศมาเฉียวเอาใจออกหาใจาเจียววอกมาเฉียวคิดอ่านจะไปตีเฉชวนมาเฉียวจะตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองมาเฉียวส่องศุนทหารและจะไปตีเมืองอูโต้หวังแก่แค้นโจโฉที่ข่ามาที่ข่าม า, ท า, มาเทนอยู่เป็นบิดา นี่เป่าขาวนี้กระจายไปทั่วเมืองเลยทีเดียวยู้ส่กก็ต้องกล่าวว่าเป็นอีกผู้นึงที่ทำลายย่ามายแห่งตนหรือเป็นดินของตัวด้ฟัมไปเลยทีเดียวละเพราะ ได้รับสินบาทสินบนจำนวนมากมายมาหาศาลด้วยของมาตราการจากคงเบ่งให้สุงเขียนไปมอให้แล้วเยี่ยวสงก็กระทําการนี้ยังได้ผลทีเดียวบัดนี้อิทธิศักดิ์วรือไปต่างๆม า, น า, นาประการไปถึงเตียวว้อละและถ้าฟังแต่ข้างเดียวเนี่ยก็ดูจะเป็นจริงอยู่เพราะมาเฉียวก็เป็นเช่นนั้นถ่ายแพ้หรือแต่ตัวมา ก็ยังจะป้องปกันถนาที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นให้จุงได้คารูเนี่ยดูจะเป็นจริงตามมีสายใจคอของมาเฉียวอยู่เปรียวล่อนะมิได้มีปัญญารู้ถึงไม่รบว่ามิเป็นอุบายของเอี่ยวสงมิได้รู้อ่ะก็คิดเกรงทีเดียวว่าม้าเฉียวนั้นถ้าท่าตีเสฉวนได้ม้าเฉียวก็จะยกมาตีเมือหันสงของตัวต่อไป เยวก็เรียกเ e อียวสงผู้ทรยศต์อตอนโดยตนหนึ่้ตัวเลยเนี่ยเข้ามาปรึกษาวะซึ่งเราให้เรียกหามาเฉียวให้กลับมามาเฉียวก็ไม่กลับและอนามปรัชาราัฐบลก็เรียกฮีกันดับเนี้ท่านจะคิดประการใดเอียวสงผู้ทรยศต์ก็ต่อไปว่ามาเฉียวไม่กลับมาท่านก็จะมีหนังสือไปฆ่าโทษมาเฉียว เป็นใจความสามข้อข้อหนึ่งให้มาเฉียวเร่งทําการรบพุ่งให้กองทัพเราปีนแตกรอยจงได้ข้อสองให้มาเฉียวเร่งยกไปปีเอามือเสีชวนให้ได้ข้อสถึงาถ้าตว่าเราเจียงจะหนีออกจากเมืองก็ให้มาเฉียวเร่งติดตามจับเราเจียงปักศีษะมาให้เราให้จงได้สข้อนี้ ถ้าแม้ม้าเขียวทำได้ก็จะปูมันไปถึงขนาดถ้าขัดแต่ข้อหนึ่งข้อใดโทษก็ถึงทหารแล้วให้เตียวโอยน้องท่านกับทหารไปตั้งขัดตาทับอยู่ทุกด่านทั้งสีด่านนั่นแหละเกลือดมาเขียวมีใจขัดแขนจะยกกลับมาตีเมือง่นตงของเรากองทัพท่านนี้จะได้ป้องกันไว้แต่ภายนอกก่านนี่ เอียวสงวางแผนให้แันนี้เอียวร่ผู้นี้โดยรู้เลยถึงคนอุบายของคนของตนเองเนี่ยไม่รู้เลยเห็นชอบด้วยก็สั่งให้เตียวโอยผู้น้องจัดแกงฐานต่รักษาด่านดกทั้งสี่ตำบนและให้ดึงซือค่าถกสามข้อสามประจารให้มาใชา้ถือไปถึงมาเฉียวตามถ้อยคำที่เอียวสงว่า ในหนังสือดังนั้นก็ปรึกษากับมาตา่น้องชายของตนนี่แหละตอนนี้ก็มีมาต่ายคนเดียวบานเตกตเกะตัวเกะอยู่ที่เมืองหันตงวิ่งมาทับเมื่อมาเชียวก็ปรึกษากับมาต่คนเดียวในจังหวัดติวโลโกรดเราวันนี้เลิกกองทัพกลับไปตามหนังสือฉบับแรกนี่ให้ข้าโทษมาดังเนี้ให้เราทำการทั้งสามข้อให้ตลอดเนี่ย ดูเถอะในข้อที่หนึ่งให้เร่งตีกองตำรอจตีให้แตกข้อที่สองให้ตีเอาเสยชวนให้ได้ข้อที่สามให้จับตัวเร่าเกียงปัดหัวเส้ให้ได้สามข้อสามประการนี้ทำให้สำร็จจะโพ่ถึงตายการทั้งสามข้อนี้เราจะทำไปได้ตลอดหรือบัด น, นี้ก็จำจะต้องเลิกทับกลับไปนึงหันตรง ตามคำเปียวล่อจึงจะพ้นโทษมาเฉียวก็จําต้องอ่อนลงทีเดียวมาต่ายก็เห็นชอบเบื่คือเมื่อจำต้องถอยมับนี้ก็ถอยล่ะมาเฉียวก็ยกทับถอยกลับฝ่ายเอียวสงหละเอี่ยวสงผู้รับแผนการของหกลงของเบ่งไปดําเนินการเอียสงที่โทรรู้มาเฉียวจะเลือกทับกลับเนี่ย แต่งโงเป็นเท่าผูจา้จ้างแกชาเมอีกิปล่อยปล่อยข่าวกันอีกแล้วว่าบัดนี้มาเฉียวคิดอ่านที่จะยกทัพกลับมาตีเมืองหันตงนี่เอียวสงปล่อยข่าวทําลายมาเฉียวอย่างซึ้งเชิญเลยความจริงมาเฉียวก็จะกลับโดยดีแหละจําต้องยอมเชื่อตามคําสั่งแล้วจะกลับเฉยเฉยเอียวสงก็เป่าข่าวเรื่ว่ามาเฉียว จะเข้าจะยกทัพกลับมาตีมือหันถงทุกอย่างนั้นแล้วก็เกือนทหารไปขับดตาทัพอีฎทั้งเก่าทั้งใหม่เพิม่มกบฎจะฟรีดานเป็นแปด่านแล้วก็กําชับว่าอยากให้ทหารมาเฉียวเนี่ยแปลกปลอมเข้ามาได้ทีเดียวโยงสงสั่งการออกไปดังนั้นเลยข้างฝ่ายมาเฉียวพลันยกทัพกลับมาเห็นทหารเตียวหลอกมือหันสงตั้งขัดตาทัพอยู่ทั่วไป ตนจะผ่านจะเข้าไปก็ไม่ได้แต่ถ้าจะถอยกลับออกมาอีกหมายความจะออกไปสู่ยุทธภูมิอี ก, กตกเกรงว่าจะทาให้เตียวล่อมีความสงสัยหนักขึ้นไปอีกมาเฉียวไม่รู้จะคิดประการใดอย่างไรแล้วก็ได้แต่ตั้งทับกระบาดกระเดินอยู่เช่นนั้นจะทำอย่างไรก็ทําไม่ได้มีแต่ความทุกใจเป็นยิ่งนะ ความทั้งขิ้นทั้งลงที่ดําเนินไปแล้วทั้สิ่งนีุ้กหลงขงุ่นเบ้จิ้วกัดเลี้ยงผุดแยงหาจบดูนี่ก็รู้ตลอดหมดละ ว, ว่าขณะนี้มาเขียวอยละอีเรือแล้วเป็นทุกข์อยู่เช่นั้นเนี่ยคือทำอะไรก็ไม่ได้จะมารบกับเราปีก็ไม่ได้จะถอยกลับก็ไม่ได้ไปิดยระอีเรืออยู่อย่างนั้นเป็นทุก หนักอยู่เช่นนั้นเนี่ยคงเบ้งก็มีความยินดีทีเดีย ว, วก็จิงว่าแกรอกเปียว่าบัดนี้มาเฉียวแล้กลับเข้าไปหาเตียวว่าก็ไม่ได้ด้วยเอี่ยวสงที่เราได้ส่งบัณฑการไปให้ได็กกระทำการไว้ดีอยู่คือออกข่าวว่ามือวัวมาเฉียวจะยกทัพกลับเข้าไปตีเมืองหันตงเตียวรอกกินฟางทหารออกมาขัดตาทัพหมด เฉียวกลับไม่ได้ท่านจะถอยออกมาเราก็เกรงว่าเตียวรอดจะมีความสงสัยมาเฉียวขณะดนี้สิ้นความคิดอยู่แล้วขบเจ้าจะขออาสาไปว่ากล่าวเปรียกล่อมมาเฉียวให้มาอยู่ด้วยท่านได้จงได้เราปปได้ฟังก็จิงว่าตัวท่านนอุปมาเหมือนหนึ่งดวงตาและดวงใจของขพเจ้า ซึ่งท่นจะไปเปรียดก่าม้าเขียวนั้นเกรงว่าจะมีอันตรายสิ่งใดมาเราจะได้ความเดือดร้อนเราปีขัดทวงผงเบ่งเช่นนี้ก็เนื่องจากเสียบางทองไปคนหนึ่งนี่แหละเมื่อสูญเสียไปแล้วจึงเห็นคุณค่าของบางทองมาหาศาลนะักและบัดนี้จึงมีปราถนาที่จะให้มีอันดาดเกิดความสูญเสียเป็นเพศเป็นภายกับผงเบ่งกลินมาอีก เราปีก็จริงแย่งกึ่งเขเนี่ยขณะเมื่อเราปีคงไม่ว่ากล่าวยังไม่ตกลงกันน่ะก็พอดีมาชายสื่อสื่อของจูนลงเข้ามาเมอาไปแก่เราปีเราปีรับเป็นสื่อจุนล่องเบอร์พนักออกอานดูเป็นใจความว่าลิขินชาวเมืองเสฉวนรู้จักกันกับข้าพเจ้ามาแต่ก่อนบัดนี้สมัครเข้ามาอยู่ด้วยท่าน มีหนังสือจิโร่มีมาตั้างๆอย่างนี้ที่มีคนเข้ามาสัมิพั์ด้วยคือลิอินเหล่าปีได้แจ้งหนงสือก็มีความยินดีก็เลยหาตัวลิอินเข้ามาแล้วก็ถามทีเดียวว่าเมื่อเหล่าเกียงจะให้รับเราเข้าไปในเสจวนเพื่อศึกษาการสงครามนั้นะตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ห้ามปราบรอบเกียงไม่ใรับเราเข้าไปอ่ะแต่แบบนี้ ตัวท่านเนี่ยเอาใจออกหาจากเราเจียงมาสมัครอยู่ด้วยเรานี่เป็เหตุอันใดลิอินผู้มาสามิพันโดนปัญหาชะนีเข่าก็ตอบว่าคำโบราณกล่าวไว้ว่าธรรมดานนกแม้จะทำรังแม้จะทำรังอยู่อาศายัยก็ให้ดูต้นไม้อันร่มชิ้กินจะได้อยู่เป็นสุข เกิดมาเป็นชายก็ยพึงพิเคราะห์ดูเจ้านายอันมีน้ำใจโอบอ้อมอารีกินเข้าอยู่ด้วยก็จะได้มีความสุขสืบไปและตัวข้าพเจ้าเป็นเบาข้าพ เ, เจ้าจึงต้องห้ามเหล่าเกี้ยงตามสติปัญญาของข้าพเจ้าเพราะมีใจกระตันอยู่ต่อเหล่าเกี้ยงผู้เป็นนายแต่เมื่อเหล่าเกียงไม่ได้ฟังคำข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็มีความน้อยใจนะครั้งจะอยู่ด้วยสุดไปก็จะพอจะปอันตรายด้วยบัดนี้ข้าพเจ้าแกงกิติศักด์ว่าท่านมีใจอรีกว้านขวานบรรดาชาวเมืองเสฉวนก็มีใจรักใคร่ท่านเป็นอันมากอันการทั้งปวงซึ่งท่านคิดทำนั้นเห็นจะสําเร็จเป็นมั่นคงข้าพเจ้าจึงรอกหนีเหล่าเตียง และมาสมะอยู่ด้วยทั้ด้วยเหตุนี้นี่คือคำปอบของนีอินก็กระวด้วยเหตุด้วยผล น, นั้นถูกต้องทีเดียวเมื่อเขาอยู่กับเราเกี้ยงก็ต้องจงรักภักดีต่อเราเกี้ยงโดยทุกประการแต่นี้เมื่อเห็นว่าเราเกียงไม่ได้เชื่อถือตามถ้อยคำกระเช่นนั้นก็มีปลาถนาจะอยู่ด้วยละ่ะเราปีได้ฟังก็จริงว่าทั้งท่านตั้งใจมาอยู่ด้วยกับเราเนี่ย จะคิดอ่านทําการติ่งด้ให้เป็นประโยชน์แกเราได้บ้างลิอินก็จริงว่าบัตนี้ข้าเจอแจ้งกิติสัพวามาเฉียวนั้นจะยกทัพกลับเข้าไปหัดเปียวล อ, อกก็ไม่ได้จะนำทัพออกมาก็ยิ่ได้อีกฤกษเกลงตัวแกเตียวล อ, อกจะสงสัยว่ามีใจทรยศข้าพเจ้าเห็นว่ามาเฉียว ขณะนี้ซึ่งคิดอยู่แล้วอันมาเชียวกับขบเจ้านั้นนรู้จักกันมาแต่ก่อนขบ aja วนแจะขออาสาไปเกลี้ยกล่อมมาเชียวให้มาอยู่กับพังก์เดจงได้ดีลี่อิอาสาเช่นี้เลยแต่แรกคงเบ่งว่าจะต้องไปด้วยตัวเองแต่เราปีก็ไม่ยอมไปคงเบ่งไปเด็กเกรว่าจะเกิดอันตรายอย่างยังไงก็ได้อ่ะบานนี้เมอลี่ินมาอาสาที่ริี้คงเบ่งก็จริงว่าเราก็กําลังจะ ผู้มีสติปัญญาซึ่งใช้ไปเกลียกว่ามมาเฉียวอยู่และเมื่อท่านรับอาศานี่ก็ดีนะจงเร่งไปกระทำการนี้ให้ได้การเถอะจะได้มีความชอบแก่ท่านลิอินก็รับคำเล่าปีของเบ่งแล้วก็รีบไปยังกองทับมาเฉียวเรามาดูวิษีการของลิอินพี่ การที่จะไปเจราจาเกลียกร่อมบุคคลผูดด้ใดใครอย่างไรคือจะพูดให้เกิดประโยชน์กับตนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายอะลิอินถือความเป็นเพื่อนเพ่อเกเพื่อนเกลเเพื่อนเก่ากับมาเฉียวมาก่อนละเอามีประการอีกประการก็เพื่อจะความมีความชอบกับเล่าปีแต่อาสาการนี้ไปละเมื่อไปถึงข่ายของมาเฉียวเนี่ยก็เข้าไปบอกแกมาเฉียวว่าเราชื่อลิอิน แตะขอเข้ามาพบมาเฉียวทหารก็มีความก็ไปบอกกันมาเชียวมาเชียวไอ้แก่มันก็จริงว่าลี่อินคนนี้เป็นคนช่างเจรจานี่ดูมาเชียวเขาว่าก่อนทีเดียวซึ่งมานี้มีประสงค์จะเบียดกล่อมเรานี่มาเชียวรู้ก่อนเลยทีเดียวแล้วก็สั่งจับถางที่มีพีวิดยี่สิบคนถอาวุธครบมือทีเดียวแล้วก็สั่งว่า ลิอินเข้ามาพูดกาอยู่ด้วยหราแม้ท่านได้ยินเราว่าเห็นลงมือแล้วท่านทั้งบัวงจงเร่งจับตัวลิอินฆ่าเสียแล้วฝาดให้เนื้อนั้นละเอียดอย่าให้กากตีนแขนนี่คือต้องละเอียดมากสังสาการเสร็จแล้วข้อยารออกไปรับตัวลิอินเข้ามาล่ะ ที่เราปีจะไม่วงยายต่อของเบ้งนะ่ะจะคงเบ้งจะมาเตีก๊กลองมาเฉียวเองนี่มันก็เสี่ยงเป็นฝาหักอยู่เราปีที่มันยอมให้คงเบ้งมาแต่บัดนี้ลิอินมามาเฉียวสั่งการประหารไว้ก่อนเลยทีเดียวเนี้ยเอาหรเอาตัวลิอินมาแล้วมาเฉียวก็ถามลิอินด้วยเสียงหนังทีเดียวว่าตัวมาหาเราบัดเนี้ยด้เหตสิ่งใด มาเฉียวถามอย่นี้ลรปอินก็ตอบทันทีเลยว่าเรามาเพื่อจะเกลี้ยกล่อมทันนี่ ล, ล, ลิบอกไปโกงๆเลยจะมัมจะมัดเนี่ยกล่อมมาเฉียวจริงว่าท่านจะเกลี้ยกล่อมอาจารย์หลายจว่าไปแต่ที่ดีนะอันกระบี่เขาที่ถึงอยู่เนี่ยเพิ่งชําระมาะใหม่ๆถ้าท่านว่าไม่ชอบใจเราเราก็จะกระบี่เนี้ยลองที่ศีรษะท่าน ทีอินด้วยฟังก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าบัดนี้เราเหวังว่าภัยจะมาถึงตัวท่านเราที่มาช่วยก็หวังแค่ท่านพ้นภัยแต่ท่านกลับว่าเจ้ากระบี่นั้นมาลองฟิษะเราอีกรอกระบี่ของท่านถึงชำระไว้นั้นเห็นจะไม่ได้ลองฟิษะเราะจะมีฟิษะจะมีผู้อื่นสิ ที่เขาจะมาลองศีลศักทนนี่ลีอินเป็นคนช่างเจราจาจ ร, จริงๆซะด้วยพูดอย่างนี้มาเฉียวก็จริงวะภายสิ่งไดจะมีมาถึงเราอะ ล, ล, ลอีอินก็ตอบว่าอันหญิงรูปงามถึงจะเอาครึ่งอันชั่วมามุ่งหม่มเข้าก็ใช่ว่ารูปมันจะหายงามไปก็หาไม่ดได้ มีประกันและ ว, ว่ายินรูปชั่วเราถ้าแม้นเอาเครื่องมือมอันดีมาประดับเข้าก็ใช่วรูปนั้นจะงามขึ้นก็าหาได้ก็เป็นแต่จะชูสีหน้าขึ้นหน่อยนึงอันดวงอาทิตย์นั้นถ้าถึงกำหนดเที่ยงเมื่อใดรักสมีนั้นกล้าร้อนนะัอันพระจันเราก็มีแสงสว่างบริสุทธิ์เมื่อวันเพลง แรงลงรัศมีก็โรยร่วงทุกวันอันนี้เป็นธรรมดาลโลกบุรุษบัดนี้ตัวท่านยังนุ่อยู่บนพระจัน์วันเพ็ญและพระอาทิตย์ยามเที่ยงทั้งรูปก็สมเป็นทหารพอจะคิดการฝึกฝึกฝึไปฝ่าโจโฉซึ่งฆ่าบิดาท่าน มัานก็ตั้งใจจะแก้แค้นให้ได้อันตัวท่านครั้งนี้คิดคับโอบ้ยอยู่ครั้งจะไปหาเหลาเตียงเจ้ามึงเสฉวนก็ไปไม่ได้ข้างเอียวสงหลับก็ยุยงเปียวล่อเปียวล่อก็ให้ทหารมาตั้งขาัดตาทับอยู่เป็นหลายตำบลแต่ท่านจะเข้าไปแจ้งเนื้อความให้เปียวล่อเห็นจริงก็ขัดสมแล้วครั้งท่านจะคิดอ่าน ปีกองทัพเราปีให้แปดไปจะได้เป็นความชอบในตีรรอบ ก, ก็มิดได้อีกเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในระหว่างกองเพลิงชะนีจะคิดอ่าประการใดเราเห็นว่าซึ่งท่านจะตั้งขึงอยู่ดังนี้ภจะมาถึงท่านเป็นมั่นคงครั้งท่านจะไปรบอครั้งท่านจะไปรบตั้งบ น, บนแม่น้ําอีโ เีท๋ทีโจโฉมานั้นก็ได้รับความลำบากนะครั้งนี้ถึงท่านจะไม่ตายแต่เราเห็นว่าท่านจะได้รับความอัประยดยิ่งกว่าครั้งนั้นเสียอีกจะดูหน้าคนก็ไม่เต็นตาเราถึงมาช่วยว่ากล่าวก็เพราะเหตุแคนี้นี่คนช่างพูดหรือตามที่มาเฉียวว่าแต่เขาช่างพูด จับพูดแต่ที่มีเป็นเหตุเป็นผลเอาสิอิลินกล่าวดังเนี้มาเฉียวฟังความปีลิลินลำดับมาแล้วนี่คลายความโกรธความโกรธมันคลายลงไปได้รูทีเดียวก็ตามเหตุผลที่มันจริงทุกอย่างนะ่ะตอนนี้มันก็คับอกจนจริงจริงแล้วเนี่ทําอะไรไม่ได้ถ้าจะว่าแย่นะแย่หนะักว่าครั้งแม่น้ำอุโหัวไปอีกนะ่ะ มาเขียวก็เทงกระบี่แล้วก็ลุกขึ้นคำนับวนี้อินเลยทีเดียวแล้วก็พู้ว่าสู้ท่านว่ากล่าวทั้งนี้ควรนะแต่ตัวเราอยู่ในที่ขับขันก็ไม่เห็นช่องที่จะไปแห่งใดได้เลยแม้ท่านเอ็นดูช่วยแนะนำให้เราก็จะกระทำตามมาเขียวยอมแพ้แกคนที่มีแต่คำพูด ลีอินได้ฟังก็จิว่าเราจะช่วยแนะนำให้นะพอได้อยู่แต่ทหารของลีถือเครื่องมือเตรียมไว้เช่นนี้นี่จะคอยทำร้ายเราแล้วเราจะบอกอะไรได้อ่ะผูิลีอินทวงกั่อย่านี้ก็มาเฉียวฝั่งทหารรูปร่างกำยำปงนีดีพร้อมอาวุธครบมือยี่สิบคนที่จะคอยสับลีอินเนี่ยละเอียดเนี่ย มาเฉียวก็จริงขับทหารตั้งยี่สิบมันออกไปเรียกพายนอกเมื่อถามเรานันออกไปหมดแล้วปีอินก็จริงว่าเหล่าปีนั้นเป็นเชื้อสายพระเจ้าเฮียนเตที่มีน้ําใจอารีกว้างขวางคิดถึงบำรุงแผ่นดินใหอยู่เย็นเป็นสุขอันหนึ่งความแต่เก่าก่อนนั้นท่านก็รู้อยู่มาเพลงบิดาท่านเมื่อครั้งอยู่เมืองฮูโตนั้น กด้ร่วมคิดกันกันกนกบเหล่าปีว่าจะช่วยกันคิดอ่านกําจัดศัตรูราชสมบัติเสียการนั้นก็ยังไม่ทําสําเร็จบัดนี้ตัวท่านก็มาเข้าตาเกินดิฉันเพื่อจะส ม, มัครไปอยู่ด้วยเหล่าปีช่วยคิดอ่านทําการกําจัดโจโฉเสียท่านก็จะได้คลายความแข็งทานด้วยทันที่เสียงท่านก็จะปรากฏไปภายหน้าก กล่าวผููจาชี้แจงอย่างนี้มเมื่อเชียวเด็กฟังดังนั้นนะ่ะก็จริงด้วยก็มีความยินดีก็จริงแต่ฐานเอาตัว e C, e เอียวเป็กอียวเป็กสินเปียวหล่อให้มากำกับทับด้วยนี้แหละและแค้นก่าวมาเชียวที่มีต่อเอียวเป็กอยู่นี่ก็ยังนี่ได้ชำระเลยตอนที่เที่ยวหล่อจะยกลูกสายมาเชียวก็เอียวเป็กคนนี้ทัดทานมาบัดนี้ มาเฉียวจะไปเข้าสามิพักดีเราปีแล้วทีนี้ก็ดีให้ฐานเอาตัวเอียวไปคนนี้มาแล้วก็ตัดศีรษะเสียแล้วก็พาลิอินกับฐานทั้งปวงไปมาด่านแห่บังขวนัญายเล่าปีครั้นรู้ว่าลิอินไมปกระทำการนี้สำเร็จ พามาเฉียวมาเนี่ยก็มีใจยินดีก็ไปรับเข้ามามาเฉียวก็มาคานับเราปีแล้วก็จริงว่าซึ่งข้าพเจ้าได้มาอยู่ด้วยท่านผู้มีสติปัญญานี้ข้าพเจ้ามีความยินดีนะอุปมาเหมือนอยู่ในที่มืดมีผู้นามาส่งให้ถึงที่สว่างและการสิ่งใดของท่านนั้นข้าพเจ้าจะอาสากระทาไปตามสติปัญญาจน